นี่รู้สึกว่าละเอียดก่อนมากที่สุดเลยปฏิบัติไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความละเอียดลึกซึ้งแต่พูดให้เต็มเม็ดเต็มหนวอก็ปฏิบัติไปเท่าไหร่รู้เท่าไหร่ก็เหมือนเราท่องเที่ยวในะอากาศหาที่สุดสินส้นสุดยุติไม่ได้นั่นหละ ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความละเอียดสุดซึ้งหาความยุติแห่งความละเอียดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือเหนือโลกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะควาว่าโลกก็หมายถึงถึงสมมุติทั้งมวล น, นั่นแหละธรรมที่ว่าเหนือโลกเหนือสมมตินี่เหนือจริงๆไม่มีที่สิ้นสุดยุติ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 เครืยืนยันของพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ตลอดพปารหันที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์นั้นยืนยันยืนยันกันที่อริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรนี้เป็นเครื่องยืนยันใน ความหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทุกๆพระองค์จะต้องยืนอาจจะต้องหลุดพ้นกันที่ตรงนี้พราจันนันอริยสัจสี่จึงเป็นเครื่องยืนหยันกานกรองจิตของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทุกพระองค์ให้บริสุทธิ์สุดส่วน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 ศา ส, สนาล่วงมาเป็นเวลา น, นานแล้วแล้วเรียวแหลมไปแล้วศาสนาอะไรอริยสัจเดียวแหลมที่ตรงไหนนี่เราไม่คิดมาเป็นข้อเทียบเคียงกันแล้วต่อไปนี่ศาสนาก็ยิ่งจะเลียวแหลมไปเป็นลำดับลำดานนั่นหมาถึงอนาคตาทั้งที่แบบท อดีตผ่านมาแล้วก็เป็นเครื่องตัดทอนกาลังแห่งความอุตสาห์พยายามและความเชื่อถือซึ่งเป็นจุดสําคัญของเราผู้ให้ได้ยลงเป็นลําดับลําดับเนี่ยเรื่องอนาคตที่ว่ายิเดียวแหลมประดยลนั้นดอนดาบนี้ก็เป็นเครื่องตัดทอนเข้ามาสู่ความจนตรอกจนมุมจนหาที่ก้าวเดินไม่ได้ สุดท้าก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเอาขึ้นเขียงสับยำแหลบพูดเป็นอาหารก็เรียกว่าเป็นลาบไปเลยไม่ได้นี่แหละไม่พ้นที่จะเป็นชิ้นเนื้อให้กิเลสสับยำแหลบเป็นจุนนี้จุนไปจนไดน้แล้วสิ่งที่กล่าวมานี้เราทั้งหลายไม่เคยคำหนึ่ง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 เครื่องจักรเครื่องยนต์ของสมูทัยตัวสําคัญหมุนติ้วอยู่ภายในจิตใจให้คิดให้พูดอย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็ตัดทอนเข้ามาให้หาทางก้าวเดินไม่ได้นี่ที่ว่าปิดทางก้าวเดินก็คือเรื่องของสมูทัยนี่แหละอริยสัจอันหนึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งเป็นธรรมะ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 ทั้งนรกสวรรค์นิพพานทั้งทั้งที่ทำเหล่านี้ปราลาดทั้งหลายท่านครองมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนและยังจะครองทำเหล่านี้ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและรับทราบในพระไตรปิฎกไปโดยลำดับนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ผ่านมาทางอดีตและจะเป็นไปณนาคตจะพ้นจาก ที่จะทรงรู้ทรงเห็นทรงธรรมเหล่านี้ไปไม่ได้คือไม่ผลที่จะรู้จะเห็นจะทรงธทรรมเหล่านี้ในพระไทยไปไม่ได้ว่างั้นที่เรามกับโลกหรือว่าสมุทัยกับมรรคมีเป็นคู่เคียงเป็นคู่ปรับกันมาเช่นเดียวกับโรคและยา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 แสดงอาการหรือรวดลายแห่งความชิบหายฆ่าตัวหรือทำลายตัวโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าเป็นโรคร่างกายก็เรียกว่ากินแต่ของแสลงทานแต่ของแสลงอยู่ยาหมอไม่สนใจนี่คิดมีแต่ทางที่คิดจะคิดในสิ่งที่ปิด ตันตัวเองให้ก้าเดูอนออกมาได้และเป็นทางโล่งลงในทางความล่มจมโดยถ่ายเดียวก้าวก็ก้าวลงทางล่มจมคลิปหายเกี่ยตัวเองโดยถ่ายเดียวด้วยความคิดความปรุงด้วยอาการขวนขวายทุกกิริยาที่แสดงออกภายในจิตใจและร่างกายของตน นี่เป็นวาระของจิตที่มีสมุทยัยแน่นอยนู่ภาณจิตใจแผงนิดให้สั์ตั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนการเช่นนี้เวลาเช่นนี้จะมีอยู่ในจิตดวงใดก็าตามเราวาดภาพเอาก็ได้ ความทุกข์นั้นเราเคยผ่านมาด้วยกันทุกคนทําไมจะวาดภาพความทุกข์ที่หายากแก้หาธรรมแก้หาครูหาอาจารหา ศ, าศาสดามาแก้มาถอดมาถอนไม่ได้ไงทำไมเราจะคาดไม่ถุกเรื่องความทุกข์ทร ม, มานถึงว่ามหันถึงขั้นมหันต่ทุกต้องเป็นไปจากอํานาจของกิเลสที่มีความรุนแรง กดขี่บังคับสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมลงไปถึงขนาดที่ว่าถ้าเป็นคู่เคียงกันกันกบพระนิพพานได้แล้วเป็นคู่แข่งกันแล้วก็เรียกว่าไม่มีทางได้เกิดเลยแต่นี้เกิดบันยั่งค่ําก็คือเรื่องของกิเลสฝังอยู่ภายในหัวใจสัตว์ไม่มีการเกิดไม่มีการตายทุกก็หายไปนั้นเป็นเรื่องของาศาสนธรรมคู่ปรับกันกับกิเลสเมื่อสังหารกิเลส สิ้นไปจากหมวอใจแล้วจิตย่อมหมดทางเกิดตายและหมดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายไม่มีอีกเลยตลอดอนันตาการนี่เป็นคู่เคียงกันสัตว์โลกผู้ที่ถูกอำ น, นาจของสมุทยัยบีบบังคับก็ย่อมจะทำความชั่วได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีที่จะเลือก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 ก็นี่เรามาบวชในพุทในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้และได้เป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติอัธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างเต็มหัวใจนะเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดไม่มีโอกาสใดที่จะเสมอเหมือนโอกาสของนักบวช และผู้ปฏิบัติของเราเหล่านี้แล้วอยู่ในมือมือเราแล้วทั้งนั้นการที่แต่การที่จะสละหรือการที่จะก้าวเดินตามเครื่องหมายตามโอกาสที่อำนวยอยู่แล้วนี้มันขึ้นอยู่กับเราแต่ละท่านละท่านจึงไม่ควรนอนใจในการประพฤ้ปฏิบัติเพื่อกาจัดสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ให้หดแห้งหรือหมดสิ้นปาในใจ ทุกอันเป็นเงาเทียมตัวหรือตามตัวนั้นก็จะแล่ห่างเหินหรือจืดจางว่างเปล่าหมดไปจากกิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติอัรทมซักฟอกกิจใจให้มีความสะอาดสว่างกระจ่างแจ้งเห็นบาปเห็นบุญเห็นสิ่งมัวหมองคือสมุทัยไปโดยลำดับนับตั้งแต่ขั้นหยาบๆจนถึงขั้นละเอียดและละเอียดสุดด้วยอานาจของปัญญาธรรม หรือจะเรียกว่ายานวิถีที่สําคัญอันละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกก็ไม่ผิดสิ่งเหล่านี้พร้อมอยู่แล้วในหัวใจของแต่ละดวงละดวงเฉพาะให้เห็นอย่างชัดๆก็คือเราเราท่านท่านที่นั่งฟังการอบรมอยู่เวลานี้พร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกล้าเดินตามอัตธรรม อันเป็นทางเบิกว้างออกเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่าเดียวเท่านั้นอย่างเต็มสติกําลังความสามารถของเราไม่ควรจะนอนใจการเปิดตายนี้การความทุกข์ความทรมานนี้เราไม่สามารถที่จะคิดย้อนหลังไปไล่ถึงภพชาติที่เคยเป็นมาแล้วกี่ภพกี่ชาติกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันแต่เรายังพอสามารถคิด ย้อนหลังไปได้ในชาติทางความเป็นมนุษย์ที่เป็นชาติที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี้ว่ามีความทุกข์มากน้อยอย่างไรและสิ่งที่เราได้เคยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มีความพิเศษพิโสเลิศเลออย่างไรบ้างพอที่จะให้เราได้มีความติดพันพระให้เกิดความทุกข์พันจิตใจของเราอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเช่นเดียวกับความไม่อิ่มพอใน ชื่ออันที่ทำให้เกิดทุกข์สิ่งที่ดีเลิศ ก, กว่านี้มีอะไรบ้างที่พอจะให้เรามีความติดพันในสิ่งนั้นไม่ถุกจังเพียงเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเอามาเทียบเคียงกับภาพปฏิบัติธรรมะที่ท่านประกาศอย่างจงแจ้งมาโดยลาดับลาดาว่าเป็นของกระสุดเลิศเลือมาแต่การไหน อยู่แล้วพอให้ได้เหตุได้ผลระหว่างกิเลสกับธรรมว่ามีคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรบ้างแล้วพยายามประกอบความภาคเทียนอย่างไม่ลดละและควรใช้ความพินิจพิจารณาในอากับกิริยาแห่งการเคลื่อนไหวของตนเป็นสำคัญยิ่งกว่า สิ่งอื่นใดไม่เช่นนั้นจะไม่มองเห็นอากัปกิริยาของกิเลสที่มันแสดงออกมาจะด้วยการเป็นการดีบบังคับนิธีการด้วยวิธีการใดกว่ามในหัวใจของเราได้เลยถ้าไม่ใช้ความพินิจพิจารณาแม้กิเลสหยาบหยา บ, ยบเราก็จะทราบไม่ได้คนมากมากจะเห็นว่าไม่สำคัญ อันนี้เป็นสิ่งที่จะให้เรานอนใจนอนจมนี่เราก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรมันถึงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่สําคัญจะสําคัญแต่พระใิพ่านด้วยความหลุดพ้นอย่างเดียวการประกอบตนเพื่อก้าเดินไม่ตรีออกนอกลกูนอกทางเพื่อทำอันสูงส่งโดยลําดับจนกระทั่งถึงภายในผ่านนั้นไม่เป็นเรื่องสําคัญอะไรบ้างเหลอนี่มันน่าคิด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 เสมอไม่ไม่ใช่พูดครั้งหนึ่งครั้งเดียวนี่ก็เพราะความไม่เห็นความสําคัญในสิ่งทั้งหลายยิ่ยงกว่ามองเลยเมฆเลยเหมอกแราว่ามองพระนิพพานนุ่นต่อเป็นของสําคัญแต่พระนิพพานอยู่ที่ใดอาการที่จะกล้าเดินให้ถึงพระนิพพานนั้นก้าวเดอย่างไรปฏิบัติอย่างไร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 คนขี่เกียจขี้คร้านนความทุกข์มันบีบบังคับถึงกับดิ้นไม่ได้เหมือนหมาตายนี่มันเก่งกว่าหมาตายนะให้พิจรารณาควรใช้ความพินิจพิจรารณาให้มากตำรับตำลาตลอดถึงประไกรปีฎกผมก็เชื่อแน่ว่าหมู่เพื่อนต้องได้ผ่านไม่มากก็น้อยด้วยมาด้วยกันแล้วทำเหล่านั้นท่านแสดงว่าอย่างไรบ้างม่ได้ยึดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของเจ้าของและ เพื่อการดำเนินอะไรบ้างเหรอนันถึงไม่มีอะไรพอเป็นเรื่องอบอุ่นภายในจิตใจและหนุนกันไปเรื่อยเพื่อความเย็น อ, อกเย็นใจจากการปฏิบัติด้วยความสนใจของเราในตำรับตำลาท่านแสดงไว้นั้นมีแต่เรื่องการปฏิบัตินี้มากที่สุดกิ่งกว่าเรื่องอื่นใด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 นั่นละ่ะภาคปฏิบัติท่านเป็นอย่างนั้นสอนในสถานที่อยู่ก็สอนตั้งแต่ให้อยู่ในที่สงบสงับปราศจากความผู้ท่านวุ่นวายให้อยู่ในป่าในเขาในร่มไม้ชายป่าที่ไหนที่เป็นความสงบเยือกเย็นที่ไม่มีอะไรรบกวนสถานที่เช่นนั้นแหละความรู้สึกของเราจะได้เด่นกับความเพียร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 ป่าสิ่งของป่าสมบัติบริวารเงินทองเข้าของทั้งหลายนี้เป็นค่าศึกสำหรับจิตใจและเป็นเหยื่อล่อได้เป็นอย่างดีของสมุทยัยคือกิเลสแต่เมื่อก้าวเข้าไปสู่ในป่านั้นสถานที่หรือสิ่งต่างๆที่เราจะเห็นนั้นเป็นเรื่องของธรรมเป็นภาพของธรรม เป็นสนามรบกิเลสเนี่ยตรงกันข้ามกลับเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วมองเห็นทัศนียภาพมองไปตามทัศนียภาพต่างๆมีแต่ภาพโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมดาของต้นซึ่งตรงกับอิจต้องการหาความจริงตามหลักธรรมชาติอย่างแท้จริงมองเห็นต้นไม้เป็นอย่างไรกับมองเห็นคนหญิงชาย รูปของบุคคลหญิงชายสมบัติพระสถานเงินทองเข้าของกองสมบัติต่างๆกับ ต, ต, ต้นไม้ในป่าในเขาเป็นอย่างไร น, น, นี่ลการคําสอนของพระพุทธเจ้าการดําเนินของพระพุทธเจ้าและพระรหันท่านท่านก้าวเดิอนอย่างนี้ท่านดําเนินอย่างนี้ในตํำรับตาําราท่านถึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาก็เพราะอย่างนี้เองป่าเขาลําเนาไพรกับ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 หรือวัตถุต่างๆปาต่างๆดังที่กล่ามานี้แต่เมื่อแยกตัวเข้าไปอยู่ในปาน่าในเขาลําเนาไพรแล้วความรู้สึกอย่างนี้ที่ติดไปพันในภารจิตใจก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเพราะอำนาจแห่งทัศนียภาพซึ่งเป็นหลักธรรมชาติกล่อมหัวใจอยู่ตลอดเวลาเพื่ออัดเพื่อทำมองดูใบไม้ ใบไม้ร่วงก็เห็นความเป็นอันนิจจงของสภาพทั้งหลายนี่ยใบไม้ไม่ไหวติงก็เห็นความสงบเงียบของจิตที่ไม่ดิ้นเลินกระวนกระวายสงบตัวอยู่เช่นเดียวกับใบไม้ที่ที่ไม่มีลมมาพัดมาโชยอะไรมีความสงบตัวอยู่เช่นนั้นสิ่งต่างๆมองใบตรงไหนมีความสงบตัวเพราะไม่มีอะไรรบกวนใจของเราเมื่อม่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 ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายอันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนั้นแม้พระองค์เองก็ทรงบําเพ็ญอยู่ในป่าดังที่เราทราบกันมาแล้วนี้ในตลาดไหนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดไปสําเร็จไปบําเพ็ญในตลาดพระสาวกองใดแต่การกดอยู่ในตลาดแข่งกันกับปา่าช้าผีดิบ ผีตาอยู่ในนั้นจนได้บรรลุนนธรรมออกมาเราอย่านํามาอวดถ้าไม่อยากให้กิเลสหัวเราะเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสลวนๆว่าการบําเพ็ญธรรมบำเพ็ญที่ไหนก็ที่ไหนก็ได้บำเพ็ญที่ที่ไหนก็ได้ไม่มีใครมาบีบบังคับถ้าเจ้าของจะโง่ถึงขนาดเป็นหนอนจมอยู่ในมุดในขูดแล้วพิ่จะนามูดคูดให้ในตรัสรู้ธรรมนั้นก็เข้าไปอยู่ในฐานก็ไปอยู่ได้นี่ แต่ใครจะทำได้อย่างนั้นล่ะืมพิจนาสิใครจะมีความเฉลียวฉลาดแหมพมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสาวกหรือผู้บวชในพระพุทธศาสนาให้ไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมอย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วและทรงดำเนินมาแล้วเช่นเดียวกันว่าลุคมูลเซนนาสนังนั่น นิสาจะประประชาตาหัตเตยาวจีวังสร้างห้วยกระนิโยนี่ใครเป็นคนสั่งสอนไว้ใครเป็นผู้ประกาศสอนไว้ในบรรดาภิกษุทั้ ง, งหลายเราทําไมจะไปอวดดีปวดดีว่าบําเพ็ญที่ไหนก็ได้บําเพ็ญธรรมถ้าไมเราไม่อวดเก่งกว่าจัตตดาด้วยอํานาจของกิเลสความรู้ที่งโง่ของตัวเองนี่เท่านั้นประกาศความเลวสามตัวให้โลกเขาเห็นเท่านั้นก็ไม่เห็นมีอย่างไรพอที่จะออกตลาดให้เป็นราคามราคาได้ รูปตาในตลาดก็ยังไม่ได้อุบาอย่างนี้นัพิจารณาเลยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกว่าอย่างไรแล้วทรงบำเพ็ญมาอย่างไรท่านไม่ได้อวดดิบอวดอว ด, ดีอวดเก่งกล้าสามารถกับฟืนกับไฟกับที่ล่มจมชิบหายเพราะท่านเป็นปราดท่านฉลาดมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้ว ท่านยอมหลบยอมหลีกปลีกพระองค์ออกไปสู่สถานที่เหมาะสมในการที่จะปลอกประกอบความภาคเพี่ยนให้ได้สมมติสมหมายจนได้เป็นศาสดาสอนโลกคือตรัสโลขึ้นมาแล้วก็สอนโลกได้อย่างเต็มภูมิของศาสด า, สาไอผู้ที่คุยที่โอ้ที่อวดว่าบำเพ็ญย่างไรก็ได้นั้นมันเก่งที่ตรงไหนเป็นครูสอนไก่แม้แต่สอนตัวเองก็ยังแสดงประกาศความเลือดสามมาให้โลกเขาเห็นกันอยู่นี้การประกอบที่ไหนก็ได้ใครไม่มีบังคับ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 ไปถึงสถานที่ที่บําเพ็ญของท่านผู้เลิศเลยทั้งหลายซึ่งได้เป็นสรณะของพวกเราทั้งสามรัตนนี้เกิดในที่เช่นนั้นเป็นส่วนมากที่สุดไม่มีใครเจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า ท, ที่ทรงคัดเลือกบ้านสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดมาสั่งสอนพิกษุบริสัทธ์เป็นสําคัญกว่าสั่งสอนผู้อื่นใดว่าในป่าในเขาใน ที่ลกชัดในป่าชา้านั่นแหละเป็นที่เหมาะสมมากแม้ในทูดงท่านก็ประกาศไว้ในด้วยว่าอยู่ลุกขมูลต้ไม้ว่าอยู่ในป่าชา้าน่ะอยู่ในป่าเป็นวัดอย่างนี้มีประจําทูดงแพลว่าอะไรเจ้าเครื่องขับกลาเครื่องซํารอกปอกกิเลสหรือเครื่องสังหารกิเลสไม่ใช่เครื่องสังสมกิเลสนี่นะอืมนั่นเราก็ฟังเราสิใครเป็นคนบัญญัติไว้ก็จอมศาสดาเนีาท่านสอนอย่างนั้น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 ผู้อยู่ในบ้านไม่มีทางรู้พระอยู่ในบ้านก็ไม่อาจรู้ได้เหมือนกันหากรู้ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะทรงสอนอย่างที่ว่านี้่นะเอออยู่ในบ้านก็อยู่ไปเธอสบายข้ามันได้ง่ายๆนิดเดียวเรื่องกิดเลสไม่เห็นยากอะไรแต่าทาโคตรทะเลถลายไปยงั้นแหละที่ไปอยู่ในป่าก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละเซื่อๆซาซาท่านต้องหามาสอนศาสดาบ้างอย่างนี้มีที่ตรงไหนในพระบาลีก็ดีไม่เห็นมีเราพิจารณาสินี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเลือกแฟ้นอัน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 อดก็อดอิ่มก็อิม่มสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นอุปกรณ์ที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบราบคาบของจิตจากการปราบกิเลสให้เรียบราบลงโดยลาดับไม่เป็นอย่างอื่นไม่ขาดทุนศูนย์ดอกผู้ปฏิบัติทุกด้วยการประกอบความเพียรไม่มีอะไรบกฟ้องไม่มีอะไรขาดทุนมีแต่ความรุ่นเริงบันเทิงภานาจิตใจอยู่ นี่แหะพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนว่าอย่างนี้จะเพราะอย่างยิ่งคือภิกษุบริษัทท่านเน้นหนักเอามากเพราะเห็นว่าท่านเหล่านี้พร้อมแล้วถ้าเต็นทหารก็ก้าเข้าสู่แนวรบแล้วยื่นสัตราอาวุธที่ทันสมัยให้สถ า, านที่ก็บอกนั่นแหละสถ า, านที่เป็นไทยสมรภูมิเอาเอาอยู่นะบำเพ็ญนะนั่นฟังสิ ย, ยาขี้เกียจชีค้านย่าเป็นผู้สูเ้เสือซา ซ, า, ซาใช้สติปัญญาซึ่งเป็นสัตราอาวุธ ติดตัวอันสําคัญอย่าให้พลากจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้ซึ่งเป็นอาวุธที่แนบสนิทติดอยู่กับตัวเพื่อชัยชนะทั้งนั้นน่ะให้ก้าวเดินให้ปฏิบัตินี่แหละทำกรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงสงสอนไว้สถานที่อยู่ดังกล่ามวมา น, นี้เป็นอย่างไงบ้างพวกเราทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้อยู่ก็ให้ยืดไม่เป็นคติตัวอย่างอันดีไปอยู่ในสถานที่ะนั้นให้สร้างตั้งแต่สติปัญญาสร้างแต่ศรัทธาความเพียรขึ้นดู อากับกิริยาของกิเลสมันเคลื่อนไหวไปมาอยู e ่ตรงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องรูปรูปอะไรเสียงเสียงอะไรกลิ่นอะไรรสอะไรเครื่องสัมผัสอะไรมันตึงเป็นธรรมอารมณ์ภายในจิตใจซึ่งนําไปจากอารมณ์อดีตที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วเข้าไปเผาหัวใจเราอยู่นั่นเราจะแก้มันด้วยวิธีใดพิจารณาเข้าไปถ้าลงได้สติติดตามแนบตลอดเวลาความคิดความปรุงมันก็ยอมเหมือนกัน มันก็หมอกเหมือนกันไอนอกจากที่ว่าสติตายไม่มีวันฟื้นนั่นสิมันถึงได้สนุกเยียบหัวใจเราเหยียบหัวใจเราบรรดาของสมุทัยกิเลสสมุทัยทั้งหลนี่หละเราได้ทุกได้รับความเพราะผลของมันแสดงนี่เราจะรับพลอยเกเราเสื่อซ่ากว่ามันนั่นเองถ้าสติของเราก็ดีปัญญาของเราก็ดีสถานที่ก็เหมาะสมตั้งหน้าตั้งตา หรือตั้งท่าต่อสู้อยู่แล้วทําไมกิเลสนี้เคยเรียบราบไปเพราะอํานาจแห่งธรรมมันจะไม่เรียบราบไปได้อย่างไงธรรมของบุรุษเจ้านี้เคยย่อหย่อนอ่อนข้อต่อกิเลสที่ตรงไหนไม่เห็นมีนอกจากผู้นําไป ร, รบไปต่อสู้กับข้าศึกนั่นยื่นทั้งด้ามให้เขาถ้าเป็นถําเป็นดาบก็ให้เขาฟันย้อนกลับมาเท่านั้นมันถึงได้ชีพหายตายไปโดยไม่เป็นท่าทั้งนั้นนักปฏิบัติเรา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 สติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงบาเพ็ญมาแล้วเป็นอย่างนี้นํามาใช้ที่พวกเราสิ่งที่ผ่านมาเพียงแต่เกิดมาถึงจงกระชั่งถึงบัด น, นี้เราก็พอมาชั่งมาตวงกันได้แล้วแหละอืมความตุกความทุกข์ที่เคยผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายการอยู่การกินการหลับการนอนการสัมปัตสัมพันธครับสิ่งใดที่โลกเขาสัมปัตสัมพันธ์เล่าก็เคยผ่านมาเช่นเดียวกันมีแต่เพียงผ่านผ่านมากับผ่านไปเป็นหลัก เป็นขณะเดียวกันขณะเดียวกันมีแต่อารมณ์ของใจตอนนั้นคิดนเขาเรียกว่าคิดย้อนหลังหรือว่าเป็นคําหลังความหลังไปตอนนั้นให้เกิดความเสียอกเสียใจในเรื่องอารมณ์ของตัวเองนะ่ะเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่มีความหมายอะไรแต่จิตนี่มันสร้างความหมายขึ้นมาเผาตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่สําคัญมากงั้นเราย้อ น, นกลับืนไปสิ ตั้งแต่วันเกิดมานี้จนกรทั่งถึงปัจจุบันนี้เราปรากฏว่าได้สิ่งมิเสียดิโสจากสิ่งสัมปัสสัมพันธ์จากสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ ม, มามากน้อยอย่างไรเราได้อะไรบ้างไหมเนี่ยเป็นที่อบอุ่นไหมเวลาเราอยู่ที่นี่เป็นยังไงจิตใจของเราสงบเย็นไหมเพราะได้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกล่อมจิกล่อมใจมาเป็นอาหารเป็นเป็นปุ๋ยอันดีงามของใจใจรับความสงบร่มเย็นหรือมีความสบายด้วยวิธีการใดเราเห็นยังไงบ้างหรือไม่เนี่ย ก็ไม่เห็นมีมันเหมือนๆกันทั้งนั้นมีแต่ความหลังความหลังดังที่ว่านี่แหละชวนทำไม่ได้เป็นอย่างนั้น เ, เมื่อเราเทียบสิ่งเหล่านั้นแล้วการเทียบเหล่านั้นเพื่อจะกระตุ้นหัวใจเราให้หยุดอย่ายุ่งพูดง่ายๆทุกเคยทุกมาแล้วปล่อยให้ผ่านไปเสียให้ทําความเฉลี่หลากไว้ด้วยความทุกข์ที่เคยเป็นมาผ่านมาเคยได้ของที่ว่าข อ, ของดีของดีของเพื่ใจก็ผ่านไปแล้วนั่นคือกฎอันนี้จังให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ เรื่องของโลกหาความแน่นอนมาได้เอาความแน่นอนจากธรรมทั้งหลายตามพระพุทธเจ้าทรงสอนนี้นั่นคือ ป, ปัดกิจเข้ามาตรงนี้หรือห้าอักห้ามกิจให้เข้ามาสู่วงปัจจุบันของแห่งธรรมทั้งหลายคือการประกอบความผากเปลี่ยนอนาค ต, ตการที่ตาหูจมูกดินงกายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มันก็สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่เคยเป็นมานี่แหละมันจะเอาสิ่งเลิศเลอมาจากที่ไหนเพราะใจตรงนี้ก็ไม่เลิศเลอเนื่องจากสิ่งที่ เลวทั้งหลายที่โซกับปกทั้งหลายมันครอบหัวใจอยูน่นี้จะเอาความสะอาดเอาความเลิศเรือความสุขความสบายมาจากไหนด้วยความคาดความเดาความคิดความหวังเฉยๆพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้หวังเฉยๆแต่เป็นผู้บําเพ็ญจนทั้งเห็นผลประจกักษเป็นที่พอประไทยและการผ่านวัฏจักรวัฏทุกข์สังสารภพสังสาระจักรมานี้ใครจะเกินต้องพุทธเจ้าล่ะ เ่ากับพระเจ้าก็เป็นอันเดียวกันในเรื่องความหมุนเวียนแห่งการเกิดตายไม่มิไม่สามารถที่จะนับได้เราแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนับได้แต่ว่าเมื่อเมื่อมันผ่านไปแล้วนับมันทำไมมีแต่ทําความเฉดหลาบกับมันที่เป็นเรื่องของกองทุกข์นี่เท่านั้นเนี่ยและทรงบาเพ็ญจนกระทั่งถึงได้ปรากฏทำอันประเสริฐ เ, เลือ่อได้มาประกาศสอนพวกเหล่านี้ได้มาจากการบําเพ็ญใจใจเล่นบริสุทธิ์หมดจดปัดสิ่งที่เป็น ถ้ศัตรูทั้งหมดออกจากใจโดยแต่เดียวเท่านั้นท่านจึงได้ครองทำอันเลิศสิ่งอันสิ่งที่เลิศภายในพระไถ่แล้วได้นําสิ่งที่เลิศนี่แหละมาสอนพวกเราสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเราเราท่านท่านท่านก็ทรงเคยผ่านเหมือนกันมาเห็นพระองค์ได้ทรงนําอันใดามาประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบได้ยึดได้ถือว่านัน้นประเติรนะั้นเลิศเลยนะแต่ชาคตเคยเกิดมากี่พบ ก, กี่ชาตินับกับนับกลับไม่ได้เอา ความจยู่ความสบายมาจากการเรียนว่าตายเกิดนั้นที่ตรงนั้นตรงนั้นชาตินั้นจากนั้นมาอวดท่านทั้งหลายเพราะเราเลิศที่สุดในตรงนั้นไม่เห็นมีที่ตรงไหนมีแต่เรื่องกองทุกกองทุกกองทุกจนผ่านมาในวงปัจจุบันจึงได้มาต ร, รัสรถุธรรมขึ้นมาเป็นด้นอัศจ ร, รยจึงแน้นำธรรมอัศจรรย์นี้มาสอนโลกนานและธทําอันนี้เป็นยังไงทุกวันนี้ยิเร บีบบังคับเอาไว้ปิดหุ้มห่อไว้จนเม็ดตัวหาที่มองไม่ได้เหลือนี่มันเป็นยังไงศรัทาธาพระเจ้าก็เคยเชื่อในอัตถธรรมได้บรรลุธรรมเพราะความเชื่อวิริยะก็เหมือนกันความภาคความเพียรสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเคยได้ใช้ในธรรมทั้งหลายมาแล้วนจนได้บรรลุธรรมพวกเราเป็นยังไงแล้วพูดถึงเรื่องการฆ่ากิเลสท่านําธรรมเหล่านี้ฆ่ามาจนกระทั่ง ถึงกิเลสราบในพระไทยไม่มีอะไรเหลือแล้วพวกเราเป็นยังไงนั้นถึงไม่ปรากฏทําเหล่านี้จึงไม่มีคุณมีค่ามีราคาอะไรเพราะอะไรเพราะตัวเรามันหมดคุณค่าหมดราคาถ้าว่าศรัทธาก็เชื่อไปตามอารมณ์บาบา้บาบอของกิเลสที่มันเสียขันปัญยมาตลอดนั้นไม่มีความอิ่มพอนั้นเสียเฮียนก็เพียรอยากดูอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟนชาติก็จดจ่อไปในสิ่ง ที่จะเป็นฟืนเป็นไปปัญญาคิดใข้ควรไปในอคิดอ่านตรายตองไปในสิ่งที่เป็นพื้นไฟไปเสียแล้วเป็นยังไงมันจะเอาความดบความดีมายัางไงเสา ะ, ะแสวงหาอันใดสิ่งเหล่านั้นมีอยู่มันก็ต้องเจอสแสวงหาดีก็ต้องเจอดีสแสวงหาชั่วก็เจอชัว่วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกไม่ได้เคยขาดศูนย์จากโลกแม้ใครๆจะว่าไม่มีก็าตามหลักธรรมชาตินี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับลมปากของผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่จะมากล่าวอ้างและลบล้างสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายให้ศูนย์ไปจากโลก ก็เมื่อมันมีอยู่งั้นทําไมมันจะไม่เจอถ้าถ้าเรายังมองไม่เห็นก็ดูหัวใจเราสิมันคิดไปทางไหนมันร้อนไหมมันคิดไปทางทางใดมันเย็นไหมมันควรจะได้ทั้งสองอย่างมาเป็นข้อเท็จจริงในหัวใจดวงเดียวนี้เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ด้วยกันและใจเป็นผู้ที่จะรับทราบสัมบัติสัมปันอี่างนี้ด้วยกันงั้นน่าจะรู้จะเห็นได้นนะนี่เลยพูดถึงทั้งวิธีการทั้งสถานที่อยู่ท่านสอนอย่างนั้นแหละ ท่านสอนพระนะ่ะมีจํานวนมากต่อมากสอนแต่อย่างนี้สอนให้มองดู ห, หัวใจไปที่ใดมาที่ใดให้มีตั้งแต่ความภาคเปลี่ยนเดินจงกร ม, มนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในตัวของเรานิะจําถ้ามีท่าต่อสู้ท่าตั้งท่าลบลากับกิเลสท่าชําระสาจสางสิ่งที่โสโปรกโสมมมทั้งหลายอยู่ภายในใจของเหล่านี้ด้วยอักด้วยธรรมมีแต่ท่านี้ทั้งนั้น นี่ละลากฐานของศาสนาแท้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนแท้นี่อยาสอรพระสอนเหล่านี้เป็นส่วนมากที่สุดใครจะมาโกหกกันได้ก็เห็นด้วยกันในตำลักกัมลาก็เห็นพระไกลปิฎกเหนือหูเหนือตาไปไหนจะจะไม่เห็นจะไม่รู้เมื่ออ่านเข้าไปผ่านเข้าไปภาษาพระไตรปิฎกเอาภาษาไหนมาพูดภาษาไหนมาเขียนแล้วผู้อ่านไปตามพระไตรปิฎกทำไมจะไม่ทราบความหมายของพระไตรปิฎกมีอยู่ภาษาเดียวกัน อ่านลงไปทำไมจะไม่รู้แม้เทศศาสนาว่าการอย่างเทศอยู่เวลานี้ก็เป็นภาษาเดียวกันทําไมจะไม่เข้าใจกันพอที่จะบึกบืนเป็นบ้าเป็นที่เด่นไม่ยืนหูยืนตานี่มัมมมมนพิลึกนะผู้ปฏ Throw ิบัติเฉพาะอย่าง ix. ยิ่งพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วไม่มีอะไรจริงจังสักอย่างนี่ผ้าปฏิบัติก็ได้พูดให้ฟังแล้วพูดนี่พูดเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นที่ลงใจว่าธรรมุนเจ้าสอนอย่างนี้โดยแท้ผู้ปฏิบัติ ตามนี้แล้วยังไงกิเลสต้องพังโดยแท้ไม่ต้องสงสัยนี่แล้ววิธีการก็จะสอนได้บอกแล้วทุกแง่ทุ ก, ทกมุมรักษาใดก็ตามมันสู้รักษาใจรักษาอิจฉะของเหล่านี้ไม่ได้ให้พยายามเพราะกิเลสมันอยู่ที่นี่มันก่อเหตุอยู่ที่นี่นะกิเลสไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจมันผลักดันจิตใจให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของมันพ<ไ>าให้<ไ>คิดให้ปุุงเพราะฉะนั้นเราที่ ที่ที่เป็นโลกของมันหรือว่าเป็นหุ่นของมันนั่นน่ะจึงเหมือนฟุตบอล น, น่ะปิ้งอยู่ตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าถูกปิ้งเพราะอะไรเพราะอะไรเตะนะฟุตบอลก็มีฝ่าเท้าเขาเตะอันนี้ก็ฝ่าเท้ากิเลสมันเตะตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบจะทําทอย่างไรนี่ก็สอนแล้วสอนเล่า ส, สอนบกไปเยือนมาสอนช้ำช้ำสักสักก็เพราะกิเลสมัน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 ที่มันทำลายจิตใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรายังไม่อิม่มเบื่อหนา่ายอิ่มพออยู่แล้วทำไงไม่เบื่อหนา่ายในการรู้กันเห็นอันจะเป็นสาเหตุเข้ามาเป็นเปลญินไฟเผาตัวเองเราก็ไม่เบื่อแล้วจะทำยังไงนี่หละหลักของผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้มีชัยชนะในการต่อสู้กิเลสหรือผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ท่านก้าวเดินอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระสาวโลกทั้งหลายท่านก้าวเดินอย่างนี้ให้ยึดหลักนี้ไว้ให้ดีอยาทะเลทลายในสิ่งที่ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์แล้วกลับกลายเป็นเรื่องสมุทัยเผาหัวใจของเราขึ้นมาทั้งๆที่เราก็ภูมิใจว่าเราเราทําถูกต้องนี่ยุ่งกับสิ่งนั้นยุ่งกับสิ่งนี้เฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติที่ชอบก่อนั่นสร้างนี้นี่เคยพูดรู้กี่ครั้งสับผมเนี่ท่านทั้งหลายจำหรือยังออกจากนี้ไปแล้วสร้างมันแข่งโลกธาตุเขาน่ะ เขามีกี่ชั้นในแผ่นดินของโลกอันนี้น่ะแล้วสร้างมันเก่งสร้างมันเก่งกว่าเขานะทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งให้เก่งกว่าเขาวุ่นให้เก่งกว่าเต่งกว่าเขาทุกอย่าง น, น, นั่นแหละคือคนก่อไฟเผาตัวจะหาทางก้าวเดินไม่ได้เลยแล้วกลายเป็นด้านไปหมดใครเตือนไม่ได้ต่อไปถ้าลงไม่ได้เคยกินแล้วหัวใจนี่เป็นกิเลสตัวเภทสําคัญขึ้นมาภายในตัวเองใครเตือนไม่ได้แหละแม้แต่ครู ก็เหมือนกับสุนัขงมุมมันเป็นบ้าแล้วมันกัดจนกระทั่าทางเจ้าของอันนี้ลงมันมันเป็นบ้าขนาดนั้นมันเลยด้านไปแล้วมันก็ต่อสู้ครูนะแม่ครูอาจารย์ก็สอนไม่ได้สอนไม่ลงไม่ยอมรับสิ่งที่มันยอมรับก็นั่นแหละสิ่งที่กำลังจมจมอยู่นั่นนั่นพากันจำวะานะนี่มีน้อยเมื่ อ, อไหร่ที่มาอยู่ที่นี่แล้วตั้งแต่อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้มากขนาดไหน กีปีมาแล้วร่วมสี่สิบปีแล้วเนี่ยมากขนาดไหนผู้ภาคเนียนที่มาเกี่ยวข้องแล้วการแนะนําสั่งสอนนี้ก็ไม่ได้เอานอกเหนือจากอัตจัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนมาสั่งสอนหมู่เพื่อนพอที่จะยึดเป็นคติเพื่อกําจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกได้นี่มันเป็นสิ่งที่เป็นคติทั้งนั้นเป็นอัตเป็นธรรมนั้นอัตธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสังหารจริเลศเป็นเครื่องชาระสิ่งที่ชั่วช้าละโมขันเป็นสิ่งโกปกให้สะอาดแหลคมคมมามากต่อมากแล้ว เราควรที่ยืดไปเป็นหลักปฏิบัติ้ะมาอยู่เสื่อๆสืส่อซาๆานอนจงหยูเฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับการแส ด, แดงธรรมเหนื่อยเนีย้สึกเหนื่อยนี่วันพุ้งนี้ตอนตอนเย็นก็จะไปเทศวัจจะทานนั่นอท่านด่วงมานิม น, มนต์เดี๋ยวกับ ง, งานอะไรไม่รู้นะเราก็นั่งฟ อันนี้ก็เกี่ยว่ทหารเ <c oughs> พราะว่า น, นี่เป็นว่าทหารนี่แล้วกับวันวันที่สามสิบเกี่ยก็จะโดไปเที่ที่ไหนร้า น, น, นที่ทำละมานิมุนเท่ยเกี่ยวว่าลูกเสือชาวบ้านหรืออะไรเนี่ยตรงลงวันที่ยี่เก้าสามสิบก็จะไม่มีเวลาว่างวนะันนี้พอว่างบ้างนักแขกคนก็ไม่ค่อยควรนัก ไม่เหนื่อยมากนะเลยมาพูดบ้างเล็กเน้อยๆเทศก็หลงหน้าหลงหลังนะผมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะเทศแทนที่จะไปนี่นึกเป็นครอบครับเทีศแล้วไปใหญ่เลยเพราะความหลงลืมมันเองโอ้หน่าวันไล่ลงทุกวันวะแต่วันนี้มันจะเทศมาได้แล้วความจําจะไม่มีเนี่ยเอาอะไรมาเทศผมไม่ใช้ขันจเจ้าอะไรมาเทศ อั น, นเป็นเครื่องมือแต่ น, นี้มันหลุดลุ่ยลงไปหรือนีล่ลงไปจนจะไม่มีเหลืออลไรอาหารการกริงก็มากมากจรวันไหนก็เห็นจะมากมากทุกวันตัวโอ้ยมองดูหนูล้นถาดเลยนะในบาทแล้วยังไม่แล้วล้นถาดล้นถาดเลยแล้วเลกก็ดีมาวันหนึ่งก็ว่ามันดิไปล้างอะไรเสียงมันลั่นเหมืนได้ไปดูเออแหลก ไปนั่นเราเดินไปนั่นเหมันมาอยู่นานๆมันเป็นไปนะคนมีกิเลสเนี่ยมันต้องชินชาหน้าด้านไม่สงสัยแหละเป็นได้แต่ว่าแล้าจะเด็กพระกเหมือนกันกิเลสมีในพระเหมือนกันทําไมมันจะไม่ชินชาหน้าด้านได้วะมันจะเห็นใจหน้าพระอะไรถ้ามันเห็นจะหน้าพระพระก็กล้องบริสุทธิ์ไปนานแสนนานนะองค์ไหนก็ดีแต่นี่ยิ่งมีแต่กิเลสหนาเข้าหนาเข้าจนมองหาตัวพระไม่เห็น มีแต่กเดสมันครอบเอาหมอหดเลยะว่าวงเลยอากรปปิยาอะไรแสดงมาก็มีแต่เรื่องของกิเลส เ, เรื่องของทํามพอให้มันงามตาบ้างมันไม่เห็นเพราะหูบ้างมันไม่ได้ยินเพราะอะไรจะไม่ได้ยินมันข้างในมันออกออกมาจากข้างในใช่หรือไม่ไดมีเรื่องโ ม, มกโคโรกันนะรูปหน้าปะจมูกเรา เป็นไม่ได้จมูกขาดลงไปเลยมีสิ่งที่ผิดอยู่ที่อยู่จมูกนะ่ะจมูกมันจะเหลือข้างได้หรือขาดลงไปด้วยกันเลยนะทำมุ่ยเย่ า, ามีที่ไหนโมกโคโล ก, กันนะ่ะมีแต่โลกนั่นแหละลูกหน้าปะจมูกเพราะว่าพระเนี่เรียนการเข้าการออกกลมเหมือนกันนะหมหาแห่สร้างความยุ่งยากให้ในวัดนี้ด้วยซ้ํำนะ นั่นนี่ต้องตามส่งตามเสียกันให้ยุ่งไปหมดเลยนี่นี่อันหนึ่งนะมาให้หนักเรายังมาแล้วยังไปให้หนักอีกอยู่ให้หนักอีกนี่อันหนึ่งนะเลยเป็นภาระาที่หนักมากตลอดทั้งมาทั้งอยู่ทั้งไปว่าไงแล้วมีน้ตาตํม้มเราเวลามีรถเข้ามาท่าไม่ทราบรถอะไรว่าจะบืนไปกับรถเขาอันนี้อันหนึ่งนะผมเห็นมันนั้น ผมเนี่ยดูเอาไมา่ไปแล้วกับเขามันดูดูรลดอยู่แล้วมันสมควรที่จะไปแทะ เ, ข า, าาเาขายหญ่ยังแทกไส่ผ้าเราขายชี้หน้าที่สุดเลยลังไหลเข้ามากลับมาแบบนั้นเนี่ยอยู่แบบนี้ไปก็ไปแบบนั้นอยู้ส่งคนนั้นส่งคนนี่ยุ่งไปหมดเลยมันมาหาอะไรก็นไม่รู้ มาสร้างความยุ่งยากให้หนักหัวอกจะแตกขาหนีหุ่นก้าไม่ออกเหรอมันไปไม่ได้เหรอมันกำมาฐานคุ้นนางไว้จนหมดทั้งแผ่นดินนี่เหรอมุวาจานท่านดำเนินมาเป็นยังไงท่านเอาลายก้าเราทำไมจะห้องเหวเดินฟ้าไปแล้ว ท, ท, ทั้งที่ไม่มีปีกไปไหนมก็ขวางโลกไปนั่นเหลือกี่ ไปมันปฏิบัติทำกรรมฐานขวางโลกไปไงั้นเหรอมันขวางธรรมต่างหากมันไม่ได้ขวางโลกโลกมันหวานมันไปหมดแต่ธรรมนี่คืนไม่ลงแล้วสิเดินองดูดมันจะเป็นยังไงอยากจะไปไหนก็เอ้าวไปยังไ ง, ล, งล่างสูดิมันจะตายเพราะกันเดินงั้มันเห็นดูดิเอ๊ะอาก็มีแต่โดดแล้วรายิ่งเร็วยิ่งกว่าลินอะไรกัน หรือขั้นไม่ด้ขึ้นรถอย่างนั้นมันไม่ทันสมัยกิเลสไม่ตายง่ายเหรือค่ากิเลสค่าอย่างทันสมัยจรวจดดาวเทียมอย่างนั้นหรือแบบขึ้นรถหรือทั้งค่ากิเลสท่านค่ า, ย, า, ายัางไงพวกเราถึงได้เป็นบ้ากับสิ่ ง, งนี้เอานักหนานทันสมัยไปไหนถ้าได้ขึ้นรถก็รู้แล้วยิ่งทันสมัยโออาร์ o R, ว่ามีญาติโยมเคารพนับถือ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 ไหนไม่ได้ไม่ได้ขึ้นรถไปไม่ได้นี่เอาที่มันจะตายกันเห็นดูวยที่หนักครูบาอาจารย์ท่านผ่านดำเนินมาถ้าไม่เห็นตายเดินจงกรมไปในขณะที่เดินเป็นไงถึงวันไหนไปไหนถึงวันไหนที่ไหนเอาถามมันช่างมันเถอะขอแต่กิเล่มันทังประทังไปก็โัวใจในด้วยการต่อสู้กันนี่เนี่ยเป็นที่เหมาะมันอยู่นี่ต่างหางนี่นะการฆ่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่โดดขึ้นรถเหมือนกระหลิง ไหนไไม่มีรถไปไม่ได้แล้วมันจะตายแล้วมันอะไรที่เป็นอย่างนั้นกรรมฐานเราเห็นไหมนี่มันเหยียบหัวกููบาอาจารย์ไปเวลานี้เป็นยังไงดูแล้วยังตื่นบ้าอะไรกับโลกของนั่งหนาโลกเขามั น, า น, านเป็นอย่างหนึ่งท่ามันเป็นอย่างหนึ่งแล้วพระกรรมฐานเป็นอย่างหนึ่งมันต่างกันนี่นะแห่กันไปแห่กันไปนี่มิตรขึ้นรถขึ้นลาไปธรรมาดาไม่ได้ไปหอะไรดูหวัวใจเจ้าของ เรื่องว่าคิดเร่องนี้หรอว่ามันสลดสองมันการค่ากิเลสจะฆ่าไดใ้ในเวลาได้ขึ้นลดเท่านั้นมันถึงทันสมัยถ้าไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นลดขึ้นลาไปไหนมาไหนแล้วฆ่ากิเลสไม่ได้ค่ากิเลสไม่ลงคอแล้วไ ม, ไ, ไ, ม ไ, ไ, ม ไ, ไม่มีโอกาสฆ่ากิเลสไม่มีโอกาสทาำคงเพียงถ้าไม่ได้ขึ้นนั่งหลนี่สิมันอะไรกัน รพระพุทธเจ้าพระสาวของท่านหลักนงครูบาอาจารย์ไหนท่านได้สําเร็จอยู่ในรถคันไหนวะว่าสิถ้ามันทันสมัยจริงๆเอาเอามาเทียบมายันกันที่กับพุทธพจน์หรือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ว่ามันผิดไปตรงไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนหรือพระสาวาองค์ไหนได้สําเร็จอยู่ในรถคันนั้นคันนี้ที่ทันสมัยนั้นท่านสเร็จอยู่ในป่านั้นในเขาหยือนี่ นี่เป็นสถานที่ที่ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งนั้นมีที่ไหนที่ที่อย่างพวกเราเป็นเหอบ้ากันอยู่แถวนี้เป็นที่นั้นหรือเป็นเป็นที่ฆ่ากิเลสหรือนั้นที่พวกเราเหอเหอกันอยู่เป็นบ้างนอย่างนี้นีน่มันเห็นกันต่อหน้าต่อตาแล้วยังไงศา ส, สนาเป็นยังไงบริจาพาําเนินสาวกความเนินกั บ, บ, บวพวกเราดําเนินในหลานี้เป็นยังไงมันเป็นไม่ใช่เป็นคู่ต่อสู้กันนล้จะเป็นอะไรไป เป็นค่าสิกันมันควรคอือ ม, มันควรที่จะขึ้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ว่าแบบเดียวกั น, แบบกนแบบเดียวเห็นกงนี่นะอันนี้อะไรมันตั้งหน้าตัาง้งตาสักอย่างเดียวนี่ในสิ่งเดียวนี้ถ้จนล้นเหลือยิ่งกว่ามุ่งอัดมุ่งทําด้วยซ้ำแต่กวนอันนี้อันหนึ่งที่เรื่องที่ฉันจะหมายไปหาคนนั้นคนนี้ แล้วท่านอาจารย์มีนั้นท่านอาจารย์มีงาน น, น, น, นี่นี่อันหนึ่งนะระวังดีนะแต่ผมจับได้แล้วไล่ออกนี้จากวัดทันทีโดยมากพระชอบเวลาไปอยู่ครูาอาจารย์มันชอบเก่งในทางนี้ติดต่อผู้คนญาติโยมเรื่องนั่นเรื่องนี้โดยถือครูาอาจารย์เป็นโลกขึ้นมาบางหน้านี่อันหนึ่งนะผมไม่ผสมอย่างยิ่งเลยไอ้พระประจกประแจงเลียแข้งเลียขาเหมือนหมานี่ อยาให้มีในวันนี้มีไม่ได้จริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่นี่จะได้ไว้ไว้หน้ากิเลสได้ยังไงไว้ไว้ไม่ได้หัว ข, ขาก็ขาดไปเลยลายไหนเป็นก็เป็นนี่นะผกระจกประแจนะแบกบที่ว่าเนี่อย่างเช่นอย่างบุญบันเกิดของครูบาอาจารย์นั่นนี่หรื อ, อ ง, งานนั่นนี่ของครูบาอาจารย์นั้นเป็นวันนั้นวันนี้หรืนี่นะ่ะเป็นได้แน่ๆนี่นะ่ะพวกนี้่ มันอยู่ไม่ได้มันไม่ได้เกามอยู่ไม่ได้เนี่ยวันเกิดวันตายที่ไหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยกตัวอย่างในปัจจุบันผมไม่เคยเห็นท่านตาลกถึงแม้คำเดียวเลยว่ามันเกิดถ่านมันเกิดอย่างนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ก่อความกังวลให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายน้อยเมื่อไหร่วันเช่นนั้นอะลองดูซิเชื่อเชิญมา นั่นมาคนนี้ม า, ว, า, า, าวันเกิดของท่านอาจารย์นั้นวันเกิดท่านอาจารย์นี่ถ้านไปยังไงนี่หรือได้เป็นบ้ า, างงั้นมันสบายเหรอมันได้เป็นบ้ า, างงั้นลื่นลงไปเลยเหรอไหลไปเลยเหรอเพิ่มทั้งหลับไปเลย น, ะนีเรื่องไหนงานนั้นในงานนี้เหนื่อยในงานค่ากเกลียดมันไม่เนีมองนี่นี่สำคัญ อ๋อนี่ออกไันล้เดียวกันนะ